อวัตาหาระวิพังในหน้า52ข้อ29กล่าวว่าในบรรดาหาระเหล่านั้นอวัตาหาระเป็นชนคาถาว่าเอกรัรมหิปัฏฐาเนเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่าอาวัตาหาระทีนี้มาดูตัวอย่างของอวัตาหาระที่พระมหากัจยณะยกมาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงพยายาม จงออกจากความเกียจคร้านจงหมั่นเพียรในคําสอนของพระพุทธเจ้าจงกําจัดเสนาแห่งมัจจุราชดุดช้างทําลายเรือนไม้อ้อเนี่ยนะหรือเรือนที่ทําด้วยไม้อ้อฉะนั้นอันนะก็บ้านที่ทําด้วยไม้ออก็เนี่ยไม้อ้อมต้นเท่าๆนิ้วเนี่ยมาเรียงเรียงให้ช้างขึ้นไปเหยียบก็หมดละเพราะฉะนั้นก็ให้เพียรพยายามจงออกจาก ความเกียรตคร้านเพียรปฏิบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้กําจัดเสนาแห่งมัจจุราชที่มาดูตรงๆก่อนว่าถ้อยคําเหล่านี้หมายถึงอะไรเช่นว่าอารัมพะนิกรรมะนี่นะจงพยายามจงออกจากความเกียรคร้านอันนี้เป็นเหตุใกล้ของความเพียรคําว่าอารัมพะที่เรียกว่าพยายามแล้วก็นิกรรมะนิกรรมะเนี่ยนะ ออกจากความเกียรติคร้านเนี่ยไอคำว่าพยายามกับออกจากความเกียรติคร้านเนี่ยนะถามว่ามันเป็นเหตุของอะไรถ้าตามอัตถกถาท่านบอกว่าเป็นเหตุของวิริยะประโยคะเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความเพียนเมื่อมีความเพียนเนี่ยนะประโยคน์ะเนี่ยประโยคะคืออะไรโยคาเวชายตีภูริเนี่ ย, นยในคาถาเรื่องพระพุตตะในคาถาธรรมบทที่กล่าวว่า ปัญญาเนี่ยเกิดจากการประกอบเกิดจากโยคะนะปัญญานี้เกิดจากโยคะปัญญาไม่เกิดเพราะไม่มีไม่มีโยคะเพราะไม่ประกอบถ้ารู้ทางสองแพร่งทางสองแพร่งก็คือทางปัญญาเกิดเพราะประกอบปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบจงตั้งตนเอาไว้โดยประการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นตั้งจิตเอาไว้ให้ดีแล้วปัญญาจะได้เจริญงอกงามตามนั้น พันผู้ที่มีความเพียรเนี่ยวังได้เลยว่าเขาจักประกอบตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นนั้นพุทธพจน์ที่บอกว่าจงพยายามจงออกจากความเกียดร้านในที่นี้ก็คือหันไปประกอบกรรมฐานนั่นเองหันไปประกอบกรรมฐานก็ของเราทั้งหลายที่ใครทรงจําคําสอนได้นะก็แทนที่จะไปคิดไปเรื่อยเปื่อยก็หันมาคิดคําสอนแทนน่ะนะลักษณะนั้นแหละเรียกว่าออกจากความเกียดร้านนะ คำว่ายุนชถะพุทธศาสนาจงมันเพียนในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุใกล้ของสมาธิเนี่ยนะเพราะว่าการประกอบเนี่ยนะประกอบเนี่ย ป, ประกอบทํำยังไงถ้าคัาคำว่ายุนชถะเนี่ยนะที่บอกว่าจงมันเพียรเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่ใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าขณะนั้นแหละเป็นสมาธิ ขณะที่ใส่ใจในคำสอนนะก็ซึ่งรับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าใครใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละเรียกว่าประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาถ้ารับอารมณ์แล้วคิดถึงคำสอนไม่ได้เลยทำไมกันนี่ห่างศาสนามากเลยอย่างนี้ด้วยถ้าถ้ารับอารมณ์ใดแล้วคิดถึงคำสอนไม่ได้เลยเนะก็ไม่เรียกว่าประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา ท่านถ้าประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาเนี่ยรับรู้อารมณ์ใดนึกถึงคาสอนได้นะใส่ใจในคำสอนได้อันนี้แหละเรียกว่าหมั่นเพียรในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนไตรสิกขาเพราะฉะนั้นเมื่อสอนไตรสิกขาเรานึกถึงสิกขาใดได้บ้างเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆคำว่าทุนาธมัจุโนเสนังณราคารังวกุญชโร จงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชดุดช้างทำลายบ้านเรือนที่ทำด้วยไม้อ้อฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุใกล้ของปัญญาเพราะปัญญานี้เป็นตัวกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเศนาแห่งมัจจุราชนี่คืออะไรพวกความเกียจพวกกิเลสมารทั้งหลายแหลนั่นแหละคือเศนาแห่งมัจจุราชพวกกามฉันทะพวกธีนมิทะพวกพยาบาทพวกอุทจักภูจักพวกนี้ทั้งหลายนะพวกนิโวนัน่นแหละคือพวกเสนาแห่งมัจจุราช เพราะฉะนั้นให้กำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้อฉะนั้นสรุปว่าที่กล่าวไปะนะจงพยายามจงออกจากความเกียรติคร้านอันนี้เป็นชื่อของวิรยิยะจงหมั่นเพียรในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสมาธิจงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชดุดช้างกำจัดหรือทำลายเรือนที่ทำด้วยไม้อ้อฉะนั้นอันนี้เป็นปัญญาสรุปก็คือวิรยิยะสมาธิและ ปัญญาถ้าพูดสามอย่างเนี่ยนะอินรีห้าก็มาหมดแล้วเนาะเพะฉะ น, นคำว่าอารัมพถานิกรรมธะเป็นเหตุใกล้ของวิริยินรีคำว่ายุนฉะพุทธศาสเนเป็นประทัดฐานของสมาธินรีทุนาถามัจจุโนเซนังนรากค า, ารังวกุญชโรอันนี้เป็นเหตุใกล้ของปัญญินรีประทัดฐานเหล่านี้เรียกว่าเป็นประทัดฐานของเทศนาอันนะ ถามเทศนาเนี่ยเป็นประทัดฐานของอะไรเคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงพยายามจงออกจากความเกียดคร้าญจงทําความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกําจัดเสนาแห่งมัจจุราชเหมือนช้างทําลายเรือนไม้อฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้เนี่ยพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุใกล้ของวิริยินรีย์เป็นเหตุใกล้ของสมาธินรียเป็นเหตุใกล้ของ ปัญญีนีเพราะพุทธพจน์หนึ่งบทเช่นอย่างคําว่าพยายามออกจากความเกลียดคร้านอันนี้พระองค์ประสงค์มุ่งให้มีวิริยนีใช่ไหมจงมันเพียนใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสมาธินรียพันกำจัดเส น, นาแห่งมัจจุราชนะ่ะละเลยบาปอากุศลนะ่ะอันนี้เป็นปัญญินีพรันพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุใกล้ต่ออินทรียคือ คำที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของโสตะวิญญาณของผู้ฟังใช่ไหมโสตะวิญญาณของผู้ฟังเมื่อได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าและจะใส่ใจว่าคํานี้พระพุทธเจ้าให้เราจเจริญวิรยิยะคํานี้พระพุทธเจ้าให้เราจเจริญสมาธิาธคํานี้พระพุทธเจ้าให้เราจเจริญปัญญาถ้าเจริญยะกุศลธรรมคือวิริยะสมาธิปัญญ า, า, ก, า, า, ญญาก็จักละเครื่องเนิ่นช้าได้ ก็จักละเคลื่อนเนิ่นช้าได้ถามว่าวิริยะเนี่ยคนที่มีความเพียรมากๆละอะไรได้ละมานะได้คนที่ภาคเพียร น, นะคือคนไม่มีมานะไอ้พวกมีมานะเยอะยิ่งมากๆเนี่ยไม่ทำความเพียรเพราะฉะนั้นวิริยินรีนี่ทำให้ละมานะสมาธินีนี่ทำให้ละตัณหาปัญ ญ, ญินี่ทำให้ละทิฏฐิเนี่ยนะ ทิฏนีปัญญิีสีเนี่ยละทิฐิเพราะว่าเครื่องเนื่อนช้าเนี่ย ป, ปัญจะสามใช่ไหมตัณหามานะทิฐิมันถ้าเจริญวิริยิีสีละมานะคือบอกให้ไปทําอะไรแล้วไม่ค่อยทําเนี่ยส่วนใหญ่นี้เพราะอะไรมานะมันถ้าถ้าพเพียรนี้แสดงว่ามานะถูกกําจัดออกไปพรมันถ้าผู้ที่มีความเพียรละมานะมีสมาธิละตัณหามีปัญญาก็ละ ทิฏฐิพันธเมื่อมีวิริยะสมาธิปัญญาอย่างนี้เนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่จะทําให้ล ะ, ป, ะปัจจันร์จะทำเมื่อล ะ, ป, ะปัจจันร์จะทำเนี่ยนะก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้ากล่าวอินทรีย์เนี่ยน ะ, ว, ะวิริยะสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมฝ่ายพาเวตาปธรรมสิ่งที่ถูกละคือเครื่องเนินช้าเสนามานทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็น ปหาตปรธรรมก็กล่าวธรรมะสองประกา ร, รที่เด่นชัดใช่ไหมคือเจริญอินทรีย์เพื่อละปะหาณนะเนี่ยนะทำที่ควรละนะปะหาตปรธรมรมอะทำที่ควรละอันนี้คือลักษณะของผู้ตปร ะ, ะเป็นเหตุใกล้ของเทศนาเหตุใกล้ของเทศนาจริงๆอะที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสก็ต้องการให้เจริญอินทรีย์เมื่อเจริญอินทรีย์ก็จะได้ละกิเลสทําให้พ้นทุกสักทีหนึ่ง อันนี้เป็นเหตุใกล้ที่ทําให้พระองค์สอนหรืออีกในหนึ่งนะผู้ฟังเนี่ยเขาขาดอินทรีย์เหล่านี้ก็ได้อันนี้แหละที่จําเป็นต้องพูดเนี่ยนะเอ๊ะทำไมคนนี้เกียดคร้านกันต้องาพูดให้เขาขยันขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเพราะความเกียดคร้านของเขาเป็นเหตุใกล้ให้พระองค์แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมแล้วเขาก็จะเจริญไปด้วยวิริยะเป็นต้นนั่นเองโดยสับแปลว่าอะไร แปลว่าประกอบนะในนี้มีมหาปเปรียนั่งอยู่นะมีในห้องเราเนี่ยมีมหาป ร, รียนั่งอยู่เข้าลืมบระ ม, มัมั้งเคยยืนฉาทเนี่ยตรงนี้เขาแปลว่าจงหมั่นเพียรแต่ถ้าโดยศัพท์ทั่วๆไปนิยมแปลว่าประกอบเนี่ยนะมันคำว่าประกอบเนี่ยก็คือให้จิตเป็นไปกับคำสอนถ้าจิตที่ไม่เป็นไปกับคำสอนตรงตรงตัวก็อยู่แล้วไมหมมันฟุง้งซ่าน ถ้าจิตลืมคำสอนนะอะยกตัวอย่างว่าถ้าผู้ผการเนี่ยเจริญพุทธานุสติถ้าจิตเป็นไปกับพุทธคุณอันนั้นเป็นสมาธิคิดพุทธคุณด้วยสลับกับเรื่องงานด้วยเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็สมาธิตอนพุทธคุณ่สมาธิเสียตอนเรื่องอื่นคือคือลักษณะอย่างนี้ท่านการถ้าแปลว่ายุนฉาที่ว่าประกอบประกอบ จิตให้เป็นไปกับคําสอนอันนี้จะเห็นสมาธิแต่ว่าอาจารย์ผู้แปลเขาแปลเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นวงเล็บหน่อยว่ายุนชะทะแปลว่าประกอบเนี่ยนะจงหมั่นประกอบในคําสอนอในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราคิดในหนึ่งนะสมมติว่าวันนี้เนี่ยจะนั่งรถไปไหว้พระเจดีย์กันถ้านั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีคําสอนอยู่ในใจเลยนะแล้วปล่อยให้จิตให้มันคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะอันนี้เป็นยังไง ฟุงซานไงไม่ใช่สมาธิอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่สมาธิเพราะคิดดูนะว่าจากนี่ไปถึงนคนปรปฐมนี่จะคิดได้กี่เรื่องนะี่ทีนี้มันวิตกวิจารณมันเป็นเหตุใกล้ของวาจาใช่ไหมสังเกตดูเดี๋ยวคนนี้ก็เดี๋ยวก็คํานี้หลุดขึ้นมาเดี๋ยวคํานั้นก็ประเจิงกันทั้งรถนั่นแหละแต่ถ้าถ้าใส่ใจในคําสอนตลอดเส้นทางไปเนี่ยนะที่คําสอนไปตลอดเส้นทางเนี่นะจิตมันเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยนะจิตมันก็เป็นสมาธิ พันคำว่ายุนชถะพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าจงประกอบก็คือประกอบจิตเอาไว้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าจิตอันนั้นเป็นสมาธิอย่าลืมว่าไม่ใช่นิ่งเป็นหลับนะสมาธิหัวตอทั้งหลายเนี่ยแค่เรียกว่านิ่งก็เป็นหลับเลยนะสมาธิตรงนี้ไม่ใช่สมาธิกลุ่มนั้นโอหลับสนิทนิ่งตลอดเลยตั้งแต่ น, นี้จนถึงวัดเล น, นะอันนี้ไม่ใช่พันคําว่าสมาธิ น, นะ ท, ที่ที่ประสงค์จริงๆเนี่ยนะสมาธิที่เป็นเหตุใกล้ของปัญญา ก็ความเพียรเนี่ยนะเป็นสมาธิโดยกิจเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาธิโดยชาติก็อย่างที่ว่าสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะสามประการนี <mas> ้เป <uana> <mas> <tight outsider> ็นสมาธิขันนะนะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะสามอย่างนี้เรียกว่าสมาธิขันคือกองแห่งสมาธิสัมมาวายมะ สัมมาสตินี้เป็นสมาธิโดยสมาธิขันโดยกิจคือผู้ที่มีความเพียรผู้มีสติเนี่ยน ะ, อ, ะอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาจะมีสมาธิโดยไม่ยากนะอันนี้แต่ถ้าสมาธิสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิโดยชาติโดยสภาวะของเขาสภาวะของเขาเป็นสมาธิเลยแต่ถ้าเป็นตัววิริยะตัวสตินี่เป็นสมาธิโดยกิริยา โดยโดยกิริยาเนี่ยนะโดยกิจโดยกิริยาโดยพฤติกรรมอะ่ะผันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยวิรยิยะบริบูรณ์ด้วยเอ่อบริบูรณ์ด้วยวิริยะนี้แน่นอนแหะสมาธิต้องดีสรุปว่าวิริยะกับสมาธิก็คือสมถะ น, น, นะวิริยะกับสมาธินี้เป็นสมถะปัญญาก็เป็นวิปัสสนามันสมถาวิปัสสนาคุณธรรมเหล่านี้แหละเป็นตัวกําจัดอะไร กำจัดเซนานะแห่งมัจจุราชได้ น, นะทีนี้มาดาูลักษณะของอาวัตภ า, าระต่อไปที่กล่าวถึงประทัดฐานอีกว่าการปรารบเทศนานี้ย่อมมีเพื่อประโยชน์แห่งการรู้ในการต่อไปในส่วนแห่งวาสนาแก่สัตว์ผู้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ประกอบความเพียรบ้างย่อมมีเพื่อประโยชน์แห่งการบรรลุคุณวิเศษแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มันประกอบความเพียรบ้าง พระพุทธเจ้าสอนสูตรนี้ไม่ใช่ว่าฟังสูตรนี้แล้วไปขยันกันทุกคนใช่ไหมอ่านะไม่ใช่เลยแต่บางคนนี่ขอให้เขาได้ยินคํานี้เอาไว้ก่อนอนะไปบ่มอินทรีย์ไว้ก่อนไปอะไรนะให้ได้ยินคําสอนเอาไว้นะนอนสักระยะหนึ่งเขาจะนึกได้พอนึกได้เขาค่อยมีความเพียรนะคนประเภทนี้แหละเรียกว่าฟังธรรมเพื่อวาสนาต่อไปยนะพระองค์ก็สอน ย่งสอนคนที่เกียดนี่ก็สอนสอนหวังว่าต่อไปเขาจะาขยันขึ้นตอนนี้ยังไม่ขยันก็หวังว่าจะขยันขึ้นต่อไปในอนาคตบางคนนี่ก็สอนและขยันเลยนะมันก็ผู้ฟังทำเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มฟังและเจริญเลยกับฟังเออดีดี ด, ดแต่เอาไว้ก่อนอันนะั้นไอ้พวกดีแล้วไว้ก่อนเนี่ยพวกนี้วาสนา ก็เขาพูดอย่างนีนะสํานวนโวหารก็บอกเส้นลึกมากในบางคนว่างั้นนันก็อีกนอนก็จะเซ <c oughs> นั่นนะก็ต้องทำใจอ่ะนะนั้นใครเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะหรือกล่าวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปเร่งมากว่าพูดซ้ายต้องได้ซ้ายทันทีพูดขวาต้องได้ขวาคนพูดนั่นแหละจะป่วยนะเพราะคนฟังก็ยังไม่ได้รีบอะไรนี่ว่างั้น วัตตะมันสนุกออกมันเพลิดเพลินช้อปปิ้งก็ดีเที่ยวโน่นก็สนุกโอ้ยน่าจะมาให้โยมขยันทำอะไรเนี่ยเหมือนกันนะพอโน่นทำไปทำมาน้ำตาเช็ดหัวเขา่าเออเนี่นะถ้าเจริญไว้นะออดีแล้วป่านนี้เนะนี่ยนะก็บางคนก็ลักษณะนั้นแหละสรุปว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยเหตุผลสองประการตรงๆ ต, ต, ต, ตัวเลยนะว่าบางคนก็ฟังเพื่อวาสนาต่อไปใช่ไห เช่นชาตินี้ก็ได้ยินได้ฟังก็ไม่ได้ไปปฏิบัติอะไรนนละชาติหน้านั่นแหละยเี้บางคนเนี่ยวาสนาไกลามา ก, ก น, นะบางคนก็อาจจะวาสนาชาตินี้แหละก็ไม่ต้องห่วงหรอกธรรมลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมะประเภทบ่มอินทรีย์ถ้าอีกนานกว่าจะได้บรรลุนะฟังธรรมเพื่อบ่มอินทรีย์แต่ถ้าฟังแล้วบรรลุเลยพวกนี้ก็เป็นพวกกลุ่มอะไรนะนิเพทภาคยะใช่ไหมบรรดาสัตว์เหล่านั้น คำว่าสัตว์ที่ประกอบความเพียรกับไม่ประกอบความเพียรเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดไม่ประกอบความเพียรสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีความประมาทเป็นมูลจึงไม่ประกอบความเพียรที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาประมาทประมาทคืออะไรทวนนะคําว่าประมาทประมาทคือการปล่อยจิตไปในกามะคุณหนนเพลิดเพลินไปในกามะคุณห้าอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือปล่อยปล่อยกายปล่อยใจไปในทุติจิตสาอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือเจริญกุศลก็เจริญเล่นๆ น, น, นะนะเจริญกุศลเป็นงานอดิเรกเนี่ยนะเจริญกุศลยามว่างอ่ะว่างแล้วก็เจริญกุศลทีหนึ่งนะถ้ามีกิจอื่นก็เอากิจอื่นไปก่อนว่างจริงๆแล้วค่อยเจริญกุศลเ น, ะนะี่ยนะพวกกลุ่มนี้แหละเรียกว่าประมาทมาสังเกตดูนะครับอกว่างๆนะแล้วมาฟังธรรมเนื้อนะว่างๆแล้วค่อยฟังธรรมครับว่างนะ โ, โหเหลืมันต้องรอว่างขนาดนั้นเลยเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าว่างและจึงจะได้ฟังเนาะแกก็ <S <S 1> <S 1> รอยามว่างว่าดีเดตาร์นั้นเลยเนาะมาดูต่อไปว่าความลักษณะความประมาทเนี่ยนะมูลแห่งความประมาทนี่มีสองอย่างคือมีตันหาเป็นมูลกับมีอวิชาเป็นมูลมูลสองนะมูลที่ทำให้ประมาทคือตันหากับอวิชา ถ้าดูข่าวนี้อัานไหนบูกันตัวไหนเป็นมูลสองอย่างเลยเนาะสลับสลับกั น, นก็อวิชาเป็นมูลกับตันหาเป็นมูลแห่งความประมาทความประมาทมที่มีอวิชาเป็นมูลเนี่ยลักษณะคือผู้ถูกโมหะครอบงำย่อมไม่รู้ฐานะที่ควรรู้ ปัญจะขันมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาด้วยความประมาทใดความประมาทนี้ชื่อว่ามียวิชาเป็นมูลคือคำว่าประมาทในที่นี้คืออะไรไม่รู้ฐานะที่ควรรู้คือฐานะที่ควรรู้เนี่ยอัตถกาถาท่ทททททานบอกว่า ส, สภาวะลักษณะสามัญลักษณะเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรรู้มากเลยใช่ไหมรู้สภาวะลักษณะรู้สามัญลักษณะนี้ควรรู้เป็นอย่างยิ่งเมื่อรู้ สภาวะลักษณะรู้สามัญลักษณะอย่างนี้แล้วจึงจะรู้ความเกิดและความดับไปแห่งอุปาทานขันห้าเนี่ยนะทีนี้การรู้ความเกิดความดับแห่งอุปาทานขันห้าเนี่รู้ว่ายังไงอิติรู ป, ปังอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูป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 ถามว่าขันห้าเหล่านี้จะเกิดเพราะอะไรเกิดก็เหตุเกิดของขันห้าโดยอาการ25้าความดับแห่งขันห้าก็ดับโ ด, บดยอาการ25่สนั้นความเกิดความดับโดยอาการ25แต่ที่จะวินิจฉัยใครครวญสภาวะเกิดดับทั้งเกิด25้าดับ25ได้อันนี้เนี่ยสภาวะลักษณะสามมัญลักษณะต้องแม่นหรือที่เรียกว่าตรีรณะปริญญาต้องดี ถ้าตีระปริญญาไม่ดีเนี่ยนะการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโรคเป็นนังหัวฝีเป็นต้นถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่แม่นยำเนี่ยนะความเข้าใจไม่เพียงพอยากที่จะพิจารณาความเกิดของขันห้ายากที่จะจะพิจารณาความเสื่อมแห่งขันห้นาพัะอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นเลยไม่ให้เห็นยังไงนะตั้งคถามง่ายๆวะตั้งกระช้ามาเนี่ยที่เราลืมตาเห็นไงเห็นขันห้า ใส่ใจความเกิ ด, ด้ดยอาการ25ความดับด้ดยอาการ25ไหมน้อยมากเลยนะจะมีบ้างในบางรายบางคนที่ไม่ประมาทแต่ว่า 99% ไม่เคยนึกเลยเนีย่ยนะอันนั้นแหละลักษณะของความประมาทที่มีอวิชชาเป็นมูล คือไม่ไม่ได้เคยคิดจะเอามาทําปริญญาไม่อะไรสักอย่างนะคืออารมณ์แต่ละอารมณ์ที่เรารับเราเกี่ยวข้องทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยใส่ใจที่จะเอามาทําปริญญาบ้างไหมถ้าไม่มีอยู่ในความคิดเลยอันนั้นแหละลักษณะของความประมาทที่มีอวิชชาเป็นมูลอวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาเป็นเขาทําให้ไม่ไม่คิดจะเจริญเลยเนี่ยนะอันนี้แหละลักษณะของอวิชชาเพราะฉะนั้นการ ทรงจาพระสูตรแล้วสาทยายบ่อยๆเนี่ยนั่นแหละอวิชามันจะได้ไม่ไม่เป็นมูลก็อย่างที่แนะนำอย่างหนึ่งนะว่าใครเจริญอะไรไม่ได้ก็จาทีค้าน้าขาสูตรตอนย่อยๆนะที่สสยใจได้เลยเนี่ยซึ่งถ้าจากสูตรดังกล่าวเนี่ยนะเราสามารถเอามาคิดได้เลยเนะี่ยก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่ทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะที่นั่งเนี่ย รูปทั้งหลายที่เราเห็นเห็นเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดจริงๆนะทุกคนก็มีบิดาแมรดาเป็นแดนเกิดนะที่จเจริญเติบโตมาอยู่ด้วยทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันอยู่เป็นนิดนะดูแลลำบากมากเป็นภาระมากเลยนะก็เป็นภาร ะ, ต, ะตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยภาระขนาดไหนต้องอบต้องฟันต้องขัดสีเป็นนิดท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง คิดหรืออีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยจะพบกันอีกหวังว่าอีกยี่สบปีข้างหน้าจะเจอกันใหม่ไงนะนัดกับหลายคนนี่ห้ามนัดเด็ดขาดคุณป้าลหลายๆคนไม่ห้ามนัดทานี้แนละ้วอีกยี่สบปีเราจะได้พบกันไงนะไม่ต้องเลยทนะ่านก็ไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยนะท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนก็คืออนัตตานั่นเองถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยถามว่าเราจะตกอยู่ในอำนาจของวัตถุเหล่านั้นไหมเราก็ไม่มีจิตเนี่ยไปตกอยู่ในอำนาจของเสียงเหล่านั้นวัตถุใดก็ตามที่เราปล่อยให้จิตเราไปตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนั้นเราแปลงง่ายๆว่าขอสมัครเป็นทาสของอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นอเที่ยงังไหมก็ไม่เที่ยง โอ้ถ้าเรามีเจ้านายที่จิตใจแปรปรวนทุกสามวินาทีเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นสภาพจิตเราน่าจะป่วยเลยนะก็เ ข, า, ขาบอกว่าแพทย์ที่ที่เป็นจิตแพทย์เลยนะจะต้องนั่งฟังคนประเภทนั้นตลอดเวลาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะที่ที่เราบกว่าเราไปตกอยู่ในอานาจของอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ได้มีความยั่งยืนเลยเนี่ยถามว่าจิตของเราจะทุกข์สับปานใด ที่ไปปล่อยจิตให้กับสิ่งที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพันวัตถุทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมหาผู้ทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ใดที่ปล่อยจิตให้ไปเพลิดเพลินชื่นชมอยู่ในกายนี้เนี่ยนะเขาเหล่านั้นจะตกอยู่ในอำนาจของกายผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของกายแล้วนะที่จะไม่ก่อให้เกิดพวกโทมนันอุปายาตไม่ใช่ฐา น, นะที่จะมีได้ เป็นไปไม่ได้หรอกที่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินในรูปทั้งหลายแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะรูปเป็นไปไม่ได้แล้วก็รูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นรูปอย่างดีก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาใช่หถ้ารูปอย่างเลวเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนารูปปานกลางก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาถ้ากลาวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สัมปะยุติกับเวทนาอยู่แล้ว ก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจิตก็คือเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นทันทีเมื่อเห็นโทษก็ย่อมเบื่อหน่ายใช่ไหมเมื่อเห็นโทษก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็ต้องก็ต้องคลายออกจากสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ถ้าไม่พิจารณาดังกล่าวไปเลยเนี่ยเรียกว่าความประมาทที่มีอวิชชาเป็นมูล คือพระธรรมคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมุ่งเอามาให้สาวกทั้งหลายเอาไปเจริญเอาไปพิจรารณาใช่ไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องประมาทสัทีหนึ่งแต่ถ้าเราละลื้อคำสอนไม่ได้ใส่ใจในคําสอนไม่ได้แม้แต่สูตรใดสูตรหนึ่งนั่นเป็นความประมาทเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรถ้าประมาทก็ต้องใช้นี่ของวตะนะวตะนี่มันเป็นลักษณะนี่นะมันเหมือนกับระบบที่มันอะไรนะวงจรที่อับตลักมาก ที่มันต้องกู้กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วจ่ายไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละ